ความสงบของจิตเรียกว่าสมาธิสมาธินี้ก็มีสามลักษณะสามแบบได้กันคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิอุปจารสมาธิคณิกะเป็นความสงบชื่อครื่องคณะ คณิกะคณ้นน บ, บ่าว่ามาจากคณะหนึ่งคณะคือสงบแป๊บเดียวจิตรวมลงปแบบั๊บแล้วก็ถอนออกมาเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิแบบนี้ยังไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นเปรียบเทียบก็เป็นสินค้าตัวอย่างสินค้าตัวอย่างเขาให้เรามาลองชิมดู สมัยก่อนมีเหล้านี่ยเขามีเหล้าขวดเล็กๆให้เราลองลองชิมดูถ้าถูกใจก็ค่อยไปซื้อขวดใหญ่สมัยนี้ไม่รู้ยังมีหรือเปล่าเนาะเหล้าขวดเล็กๆยังมีอยู่เหล้าที่เขาให้บนเครื่องบินบ้างบนเครื่องบินก็ขวดเล็กๆพอเดิมได้หนึ่งแก้ว คณนน้กาสมาธิก็แบบนั้นนะเป็นสมาธิแป๊บเดียวแต่มันก็มีคุณค่าตรงที่ทำให้เกิดความยินดีในความสงบเพราะเป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่ยังเป็นความสุขเดียวเยวเป็นเหมือนดูหนังตัวอย่าง นังตัวอย่างนี้เขาเมไวให้เราดูเพื่อเราจะได้อยากจะดูหนังหนังจริงพอเห็นหนังตัวอย่างแล้วสนุกดีชอบก็จะรอคอยดูหนังจริงเพราะนั้นหนังจริงมาก็จะไปดูกันอันนี้ก็แบบเดียวกันคัน้กาสมาธิก็คือความสงบชั่อหนึ่งขณะ ขณะคำนิกะแปลว่าคําว่ามาจากคําว่าขณะหนึ่งขณะแป๊บเดียวออแต่เป็นขณะที่น่าตื่นเต้นมาหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเออจิตเบา อ, อกเบาใจจิตสงบจิตสบายเหมือนยกภูเขาออกจาก อ, อกไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความรู้สึก แบบแบบนี้ได้ใครลองได้สัมผัสกับคารนิะสมาธิแล้วจะเกิดฉันทะวิริยะขึ้นมาฉันทะคือความยินดียินดีต่อสมาธิวิริยะจะมีความเพียรฝึกนั่งสมาธิให้เกิดขึ้นมากขึ้นไปจนเป็นอัปปนาสมาธิ อัปปนาสมาธิก็คือจิตที่สงบยาวนานนั่นเองท่านก็ไม่ได้บอกว่ายาวเท่าไหร่นานเท่าไหร่เพียงแต่บอกว่าต่างจากคณิกะการิกะแป๊บเดียวถ้าถ้าไม่ใช่แป๊บเดียวก็ถือว่าอัปปนาจะเป็นหนึ่งนาทีสองนาทีห้านาทีหรือสิบนาทีนี่ก็เรียกว่าอัปปนาได้แต่ผู้ปฏิบัต ถ้าได้เข้าสู่อัปนาแล้วก็จะจะฝึกไปจะดันสติให้มากขึ้นมากขึ้นไปเพื่อให้สงบได้นานๆบางทีได้เป็นชั่วโมงอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี้เป็นสมาธิที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิและต้องเป็นแบบต่อเนื่องเป็นทั้งวันทั้งคืนตอนต้นก็เป็นเป็นพักๆเป็นช่วงๆแต่ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆ ต่อไปมันจะเป็นอัปปนาสมาธิาตลอดเวล า, าไม่ว่าออกมาก็ยังสงบอยูอ่ยังมีอุเบกขาอยู่สมาธิแบบนี้เป็นสมาธิที่จะสนับสนุนการจเจริญวิปัสสนาคือปัญญาเพื่อที่จะกำจัด ตันหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเตันหามันไม่ได้ถูกทำลายด้วยกำลังของสมาธิสมาธินี่เป็นเหมือนอเป็นกำลังที่ไปกดตันหาไว้ไม่ให้มันทำงานชั่วคราวเหมือนกับหินทับยาเอาหินไปทับยา ยาก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอยกหินออกไปพอยาได้น้ำได้มันก็จะงอกกลับคืนขึ้นมาใหม่กิเลสคือความอยากตัณหานี้ไม่ได้ตายด้วยกำลังของสมาธิเพียงแต่ถูกกดเอาไว้ด้วยกาลังของสมาธิเวลาจิตสงบนี้กิเลสไม่ทำงานตอนนั้นรู้สึกว่าเหมือนกับ ได้นิพพานตอนนั้นจิตมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่พอจิตถอนออกมาจากสมาธิเนื่องจากกําลังของสตินี่อ่อนลงไม่สามารถที่จะกดให้จิตอยู่ในสมาธิต่อไปได้จิตก็จะออกมาจากสมาธิพอออกมาก็จะมาคิดปรุงแต่ง พอคิดปรุงแต่งเดี๋ยวก็ไปคิดทางความอยากพอคิดถึงขนมคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะกินอยากจะดื่มขึ้นมาพอเอามีความอยากใจก็จะกระเพิ่มขึ้นมาความสงบก็จะหายไปอุบเบกขาก็จะหายไปทำให้ใจเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมา ถ้าไม่ต้องการให้ใจเป็นอย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจไม่ให้คิดไปทางความอยากให้คิดไปในทางความไม่อยากเช่นพออยากได้อะไรก็ให้คิดว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเวลาเราคิดอะไรเรามักจะคิดว่าได้มาแล้วเราจะมีความสุข แต่ถ้าเรามีปัญญาปัญญาจะบอกว่ามันเป็นความสุขปลอมความสุขที่ได้ตอนตอน้นแต่พอสิ่งที่เราได้มาเกิดมันเปลี่ยนไปมันเสียไปมันจากเราไปมันหมดไปความสุขที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอ่นนี่คือปัญญาปัญญาจะสอนใจให้หยุดไม่ให้ไปอยากก็ได้อะไร พอคิดถึงเรื่องอะไรก็ให้ปให้คิดไปทางปัญญามาแก้ทันทีถ้าคิดว่ารูปเสียงกดลิ่นรสนี้สุขก็ต้องให้คิดว่ารูปเสียงกดลิ่นรสนี้ทุกทุกเพราะอะไรเพราว่ามันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลามาก็มีความสุขเวลาหมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ คนเราถึงร้องห่มร้องไห้กันเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเพราะว่าสิ่งที่เรารักที่ให้ความสุขกับเรานี้มันไม่เทีย่ยงให้มองอย่างนี้ให้คิดแบบนี้สอนใจให้คิดไปในทางปัญญาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทีย่ยงไม่น่าดูไม่น่ารับประทานถ้าเป็นแฟนก็ไม่น่าดูไม่ไม่สวยไม่หล่อ ถ้าดูเข้าไปข้างในแล้วไม่มีอะไรสวยงามในร่างกายพอมองเข้าไปใต้ผิวหนังก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นอวัยวะต่างๆหน้าตาคนเนี้ถ้ามีผิวหนังหุ้มห่ออยู่ก็น่าดูพอแกะหนังออกมาเอาหน้ากากฉีกหน้ากากออกก็จะกระโหลกสีสันมีอยู่ด้วยกันทุกคนแต่มองไม่เห็นกัน พ่าไม่คิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางตัณหาความอยากคิดไปในทางกิเลสโอ้ยหน้าดูตาก็สวยคิ้วก็สวยจมูกก็สวยปากก็สวยสวยไปหมดแต่ไม่ดูที่อยู่ภายใต้ผิวหนังว่ามันสวยไหมลองฉีกหน้ากากออกมาดูเนี่ยเนี้น หน้าเราเนี้ยหน้าตาเหล่าเนี้ยเหมือนเหมือนกับมีก็มีหน้ากากโขนมาครอบไว้ครอบครอบกะโหลกศีรษะนี่เองเห็นไหมใครดูโขนไหมโขนก็ก็มีหัวโขน ม, มาครอบอนี้ให้เห็นเป็นฮนุมานให้เห็นเป็นทศกัณให้เห็นเป็นพระรามเป็นอะไรพอถอดโขนออกมาโไม่น่าดูเลย อันนี้ก็แบบเดียวกันร่างกายของคนเราหน้าตาของคนเรานี้ก็เป็นเหมือนหัวโขนดีๆนี่ลองถอดหัวโขนออกดูสิแล้วจะเห็นอะไรมีด้วยกันทุกคนแต่ไม่ยอมมองใต้หัวโขนกันก็เลยหลงรักกันเป็นบ้าเป็นบอกัน้หมกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเศร้าโศกเสียใจกัน เวลาเสียหัวโขนไปเวลาหัวโขนจากไปนี่ล้อมผมล้างให้แต่ถ้าคิดไปในทางปัญญาคิดว่ามันเป็นเพียงหัวโขนครอบกระโหลกศีรษะไอที่ไปก็คือกระโหลกศีรษะโครงกระดูกโครงกระดูกก็ถูกร่างกายนีย่ถูกหนังครอบหนังกระเนื้อครอบไป จนทําให้มองไม่เห็นก็โลกมองไม่เห็นกร็ดโคงกระดูกเนี่ยให้คิดไปทางปัญญาเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้ถ้าคิดไปในทางปัญญาแล้วมันจะไม่หลงไม่หลงรักใครไม่หลงชอบใครเพราะมันไม่มีอะไรน่าชอบมันเพียงแต่ชอบที่หัวโขนชอบตัวเครื่องตัวที่ไปครอบกะโหลก ครอบกระดูกนี้เท่านั้นเองพอเอาเอาเหมือนกับชุดปะดาน้ำที่เราใส่ถอดชุดปดาน้ำออกออหนังหนังกับเนื้อที่มันครอบร่างกายคุมร่างกายอยู่นี่ถ้าเราสามารถแกะออกมาได้เหมือนถอดซิปออกมาเราก็จะได้เห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังว่าเป็นอย่างไร เ, เราต้องหัดคิดแบบนี้ หันมองร่างกายในอีกมิติหนึ่งอย่ามองแต่เฉพาะผิวให้มองเข้าไปข้างในให้ลึกเข้าไปข้างในให้มองใต้ผิวหนังภาษาฝรั่งก็เรียกว่า beauty skin deep เนความสวยงามมันก็สวยแค่ผิวหนังนั่นอพอพอลงไปใต้ผิวหนังแล้วไม่มีอะไรสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรน่าดูนี่ให้หัดคิดทางปัญญาถ้าเห็นอย่างนี้แล้วรับร อ, องได้ว่าจะไม่มีแฟนถ้าอยากจะไม่มีแฟนกับโครงกระดูกมั่งใอยากจะไม่มีแฟนกับหัวใจกับปอดกับไตกับดำไส้กับสมองกับ สิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายขับถ่ายออกมาอยู่ตลอดเวลาทางทวารต่างๆออกมาทางตาก็เรียกว่าขี้ตาออกมาทางจมูกก็เรียกขี้จมูกออกมาทางปากก็เรียกว่าขี้ฟันออกมาทางหูก็เรียกขี้หูเป็นขี้ทั้งนั้นร่างกายนี้เป็นที่ ปฏิบตขี้พูดง่ายๆขี้ตาขี้หูขี้หมูขี้จมูกขี้ฟันขี้เล็บนอขี้ทั้งนั้น ไ, ไม่หลงรักอะไรกันร่างกายที่เป็นขี้นี่นี่ก็คิดทางปัญญาแ ต, แต่จะคิดทางปัญญานี้ต้องบังคับให้มันคิดนะถ้าไม่บังคับไม่คิดมันไม่คิดแล้วต้องให้มันสงบก่อนถึงจะบังคับมันได้ ถ้าจิตไม่สงบนี่กิเลสตัณหาเนี่มันจะคิดแต่ทางตรงกันข้ามคิดแต่ว่าหน้าดูหน้าชมหน้ารักหน้าพิศวรราสจึงต้องทำสมาธิก่อนทำสมาธิเพื่อหอยุดตัณหาหยุดความคิดที่จะคิดไปในทางสวยๆงามๆหน้าดูหน้าชมหน้ารักหน้าหึงหน้าหวง ให้หยุดคิดทางนี้ก่อนพอหยุดคิดทางนี้แล้วพอออกจากสมาธิมาพอมันจะกลับกลับไปคิดทางเดิมก็ดึงมันมาคิดทางปัญญาต้องดึงมาถ้าไม่ดึงมันไม่มาเนอะแล้วอาจจะมาได้ไม่นานดึงมาพิจารณาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปละจะเดินกลับไปคิดเรื่องอื่นมันจะแย่งกันกิเลสกับธรรมะนี่มันจะแย่งกันตอนที่ออกจากสมาธิมา ถ้าธรรมะมีไม่บีแรงไม่พอเดี๋ยวก็หมดกําลังเดี๋ยวกิเลสก็เดึงไปคิดถึงของสวยๆงามๆของหน้าดูน่ารักหน้าหน้าได้หน้าอยากหน้ามีหน้าเป็นขึ้นมาถ้าถ้าไปคิดอย่างนั้นแล้วก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิแล้วแสดงว่ากิเลสมันเริ่มกำเริบแล้วกิเลสมันเริ่มออกมาว่ารวดลายก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิ กดกิเลสไว้ก่อนเหมือนกับตัดกําลังหรือดมยาสลบให้กิเลสก่อนพอเข้าไปสมาธิกิเลสก็หมดกําลังตอนนั้นจิตก็สงบเย็นสบายไม่คิดอะไรไม่คิดทั้งทางปัญญาไม่คิดทั้งทางกิเลสพอออกจากสมาธิมานี้ใหม่ๆมันก็ยังไม่คิดอยู่ ว่ามันยังเหมือนกับน้ําเย็นที่ออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันยังเย็นอยู่เวลาจิตออกจากสมาธิใหม่ๆจิตยังเย็นยังอิ่มยังสบายยังไม่หิวก็เลยไม่คิดไปตามความอยากแตสักพักเนิ่วพอไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เห็นได้ยินสิ่งนั้นสิ่งนี้ทีนี้ความจําเก่ามันจะกลับมาชวนนะ Hey, ไปไหมสนุกนะอร่อยนะีน่ยพอมันเริ่มกิเลสออกมาล้วถ้าเราออกจากสมาธิถ้าเราไม่ควบคุมจิตไม่สั่งให้มันคิดไปทางปัญญาเดี๋ยวมันก็จะกลับไปคิดทางกิเลสต่อเพราะว่ากําลังของสมาธิมันค่อยๆหมดไปเวลาออกจากสมาธิมาเหมือนน้ําเย็นเวลาออกจากตู้เย็นใหม่ๆ ม, มันก็ยังเย็นอยู่ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายเย็นมันก็จะร้อนขึ้นมาจิตก็เหมือนกันออกจากสมาธิใหม่ๆก็เย็นสบายเดี๋ยวพอไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ไปเห็นนั่นเห็นนี่เดี๋ยวก็เริ่มร้อนขึ้นมาเริ่มอยากขึ้นมาอ่านี่คือเวลาที่เจรินปัญญาเจรินตอนที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆ ตอนนั้นจิตไม่ร้อนจิตเย็นจิตไม่หิวไม่โหยดึงให้มันไปคิดทางปัญญาได้แต่จะได้นานไม่นานก็อยู่ที่กําลังของสมาธิถ้าเราเข้าสมาธิอยู่ได้นานเวลาออกมามันก็จะนิ่งได้นานมันก็จะสงบมันก็จะไม่หิวได้นานมันยังยังพิจารณาทำได้ได้นานพอพิจารณาไปสักพักแล้วเดี๋ยวมันเริ่มโนเลและ เดี๋ยวเริ่ไปคิดเรื่องอื่นนะแล้วแสดงว่าสมาธิหมดกําลังแล้วก็ต้องกลับเข้าไปใหม่กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่เราต้องพิจารณาปัญญาจนกระทั่งมันเห็นร่างกายตามที่เราต้องการตลอดเวลาเช่นเห็นโครงกระดูกตลอดเวลาเห็นกระโหลกศีรษะตลอดเวลา เวลาเห็นหน้าใครก็เห็นว่าเป็นเพียงกะโหลกศีรษะหุ้มห่อด้วยหัวโขนหัวโขนก็คือหนังที่หุ้มหอ่อกระโหลกศีรษะนี่อต้องให้มันพิจารณาอย่างนี้ไปจนกว่ามันจะเห็นเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเห็นแบบพอเห็นหน้าตาใครปั๊บ ก, ก็เห็นว่าเป็นเพียงหัวโขนข้อบกระโหลกศีรษะเท่านั้น ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วทีนี้มันก็ความอยากมันไม่เกิดพอ ม, มันหยุดความอยากได้ปัญญาก็ไม่ต้องพิจารณาต่อไปเห็นทีไรก็เห็นเป็นหัวโขนครอบเห็นร่างกายก็เห็นโครงกระดูกครอบด้วยหนังหนังกับเนื้อภายใต้โครงภายในโครงกระดูกก็มี อวัยวะต่างๆมีตับมีไตมีปอดมีหัวใจมีลำไส้มีสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆขับถ่ายออกมาตามทวารต่างๆทางตาทางหูทางจมูกทางปากทางรูขนต่างๆเหงื่อไคงกลิ่นเหม็นนี่คือปัญญา ปัญญาจะไปเป็นจะคิดทางปัญญาได้ต้องมีอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธินี้ก็ต้องแน่นต้องนานอย่างเบื้องต้นนี้ต้องฝึกสมาธิให้มากให้มันสงบได้ทั้งวันทั้งคืนพ อ, อจากสมาธิมาก็ยังไม่ต้องปัญญาสติรักษาสติต่อไปจเจริญสติต่อไปเพื่อรักษาความสงบ ถึงแม้ไม่ได้เข้าสมาธิก็ไม่ให้มันคิดปรุงแต่งเวลาออกมาให้มันสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังอะไรอย่าปล่อยมันคิดให้มันรู้ไปเฉยๆยึดหยุดความคิดไปเรื่อยๆก่อนแล้วพ อ, อนั่งสมาสนั่งกลับไปนั่งได้ก็กลับไปนั่งต่ อ, อเดินสักพักแล้วอาจจะเมื่อยอาจจ ะ, อ, ะอยากจะหยุด ออกมาเดินจงกรมสักชั่วโมงสองชั่วโมงแะ้วกลับไปนั่งใหม่นั่งอีกชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็ออกมาใหม่เอเบื้องต้นนี้ภาคสมาธิต้องทําอย่างนี้ไปก่อนยังไม่ต้องไปกังวลกับภาคของปัญญาอเอาปัญาสมาธิให้มันเข้มขน้นให้มันเต็มร้อยก่อนตอนมีสมาธิเต็มร้อยแล้วทีนี้ ออกจากสมาธิมาก็ดึงใจให้คิดไปทางปัญญาได้เลยคิดไปจนกระทั่งสมาธิมันอ่อนแรงลงหมดกำลังลงจิตเริ่มความคิดเริ่มไปคิดเรื่องอื่นก็หยุดคิดกลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่นี่คือนี่คือขั้นปัญญาไม่ว่าจะเป็นขั้นปัญญาหรือขั้นสมาธิก็จะต้องกลับเข้าไปในสมาธิเสมอออกทางปัญญาก็ต้องกลับเข้าสมาธิ เพราะว่ามันหมดมันหมดแรงสมาธิมันหมดแร ง, รแรงต้องกลับเข้าไปชาร์จแบตใหม่สมาธินี้เหมือนแบตเตอรี่ของมือถือเนี่ยเวลาเราใช้มือถือไปสักพักเดี๋ยวมันก็หมดเราก็ต้องเอาเข้าไปชาร์จก่อนเอถ้าไม่ชาร์จมันก็ใช้ไม่ได้เอปัญญาก็แบบเดียวกันปัญญาจะคิดไปทางปัญญาได้ก็ต้องให้มีสมาธิเป็นตัวแบ็ตตัวสนับสนุน ตัวคอยผลักดันให้จิตคิดไปทางปัญญาถ้าไม่มีสมาธินี่กิเลสมันจะออกม า, ามามาดึงความคิดไปหมดนี่คือสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่เป็นเจโตวิมุตติเนี่ยที่เมื่อวานนี้พูดถึงเนี่ยคือเป็นสมาธิที่จะทำให้เกิดวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต้องเป็นอัปปนาสมาธินต้องเป็นอัปปนาสมาธิที่นั่นเหมือนกับหินแล้วก็ต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนอันนี้แหละถึงจะเรียกว่าเป็นเจโตเจโตวิมุตติส่วนสมาธิชนิดที่สามอันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิคือจิตที่รวมลงแล้วแต่ไม่อยู่เฉย ไม่นิ่งไม่สงบไม่ไม่นิ่งไม่คิดไม่นิ่งไม่เป็นอุเบกขาพอเข้าไปสงบแป๊บแล้วก็ออกไปในโลกทิพต์ต่อไม่กลับออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายของโลกทิพต์ไปมีตาทิพ์หูทิพต์ไปติดต่อกับเทวดาได้ไปอ่านความคิดของคนอื่นได้ เพราะความคิดของพวกเราก็เป็นเป็นความเป็นเป็นเป็นของที่อยู่ในโลกทิพนี่กระแสจิตเราเความคิดของเราเนี่ยสังขารคองคิดปรุงแต่งมันอยู่ในจิตอยู่ในโลกทิพย์ถ้าใครเข้าโลกทิพย์ก็บางคนก็สามารถที่จะแอบฟังได้ว่าเรากําลังคิดอะไรอยู่จริงๆเนี่ยหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมีความสามารถอันนี้ตามประวัติ ท่านเคยไปนั่งสมาธิไปภาวนาอยู่ที่แถวธรรมสาลิกามแล้วก็พอดีมีหลวงพ่ออีกองค์นึ่ก็ไปภาวนาที่นั่นท่านอยู่บนเขาหลวงพ่ออยู่ตีนเขาตอนตอนคืนเวลาภาวนาจิตท่านก็ส่งมาดูจิตของหลวงพ่อองค์นี้เป็นห่วงเป็นใ ย, ยมากก็ไปเห็นว่ากําลังคิดห่วงใยครอบครัวห่วงใ ย, ยลูกเมียอยู่เอ ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนเราบางทีควบคุมความคิดไม่ได้มันก็จะคิดไปเรื่อยเป่อยคิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงอะไรต่างๆคิดถึงสมบัติแต่เป็นนักบวชที่ไม่ควรคิดเนี่ยมาต้องก า, การมาบวชเพื่อมาหยุดความคิดเหล่านี้หรือคิดให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตายลับไปจะได้ตัดความห่วงความกังวลความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ แต่ท่านยังไม่ถึงขั้นนั้นท่านก็ยังนั่งสมาธิจิตก็ไม่ยอมสงบจิตก็มัวแต่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอดีหลวงปู่ม่นท่านส่งกระแสะจิตลงมาดูท่านก็เลยรู้ว่าออจิตกาลังฟุ้งอยู่ตอนเท้าตอนเช้าเจอกันท่านก็พูดในเชิงลักษณะเตือนว่าไปห่วงเ็าทำไมไปยุ่งกับเขาทำไมเรามาบวแล้วเขาจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขา พอท่านพูดอย่างนี้เขาก็โหยหลวงพ่อตงนั้นก็ตกใจกลัวผมอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วย้ายที่ดีกว่าหนีไปเลยเพราะว่าอับอายที่มีคนอื่นมาเห็นความคิดของตนนี่คือที่เรียกว่าอุปจาระสมาธิหลวงปู่ม่านจิตท่านรวมแล้บางทีท่านก็ปล่อยให้ออกมา มารับรู้บางทีท่านก็มาคุยกับเทวดาบางทีก็มีเทวดามาเยี่ยมเยียนนาขอฟังเทศฟังธรรมท่านก็เมตตาสมาธิแบบนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นแต่กับเจ้าของไม่ไม่เป็นประโยชน์เพราะมันไม่มีกําลังที่จะมาสนับสนุนทางปัญญามันไม่มีอุเบกขาเวลาออกจากสมาธิมาเหมือนกับไม่ได้นั่งสมาธิ ไม่มีความอิ่มความเย็นความสบายเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วฝันอุปจาระสมาธินี่นเหมือนกับเวลานอนหลับแล้วฝันพอตื่นขึ้นมานี่บางทีไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเหมือนกับไม่ได้พักผ่อนต้องเป็นถ้าเป็นอัปปนาสมาธินี่มันนอนหลับแล้วไม่ฝันนอนหลับไม่ฝันน่นอนปั๊บเดียวแค่อนอนปั๊บเดียวที่ไหนได้ หมดไปต้องหกแปดชั่วโมงหกถึงแปดชั่วโมงตื่นขึ้นมารู้สึกอิ่มใจสบายใจมีกำลังที่จะไปทำงานทำการต่อเพราะฉะนั้นให้รู้ไว้ว่าสมาธิที่เป็นเจโตวิมุตตหรือเป็นสัมมาสมาธินี้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิตั้งรวมสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้แล้วก็ไม่คิดปรุงแต่ง แล้วก็เป็นอุเบกขาเย็นสบายมีความสุขอย่างยิ่งอันนี้แหละที่จะต้องฝึกให้ได้มากๆให้ได้ทั้งคืนทั้งวันก่อ น, ก, อนก่อนที่จะออกไปทางปัญญาต่อไปต้องพยายามฝึกอัปปนาสมาธิอยู่เรื่อยๆพอชำนาญเข้าออกสมาธิ แล้วจิตสงบทั้งวันทั้งคืนควบคุมกิเลสตัณหาได้ทั้งวันทั้งคืนนะ้วทีนี้ก็เริ่มมาสอนให้คิดทางปัญญาได้เพื่อจะได้ทําลายกิเลสตัณหาอย่างท้าวรตอนนี้เพียงแต่คอยกดมันไว้ด้วยสติไม่ให้มันไปคิดทางกิเลสตัณหาอืแต่ถ้าเผลอสติเมื่อไหร่มันก็จะพุ่งมันจะพุ่งพลุดคิดไปทางทางกิเลสตัณหาทันที เย็งนัถ้าต้องการที่จะฆ่ากิเลสตัณหานี่ต้องฆ่าด้วยปัญญาต้องให้สอนใจให้คิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางใตรักอย่าไปคิดทางตรงข้ามกับใจรักถ้าให้กิเลสคิดมันจะคิดเป็นนิจจังสุขขังอัตตาทันทีเห็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะนี่มันจะบอกว่านิจจังถาวรได้มาแล้วจะอยู่กับเราไปเรื่อย เป็นของเราไปเป็นสมบัติของเราให้ความสุขกับเราอช่ไหมคนเราถึงอยากได้กันใช่ไหมเพาคิดว่าได้แ ล, แล้วมันมีความสุขได้ไปเที่ยวนี้มีความสุขเราหว่างให้เลือกระหว่างไปทำงานกับไปเที่ยวนี่ลองถามพานักงานบริษัทดูอาทิตย์นี้จะให้เลือกว่าจะไปเที่ยวดีหรือจะมาทางานดีได้เงินเดือนเท่ากันด้วยแล้วก็คิดว่าเขาจะเลือกทางไหนกะน เ็าอาเที่ยวกันอยงนั้นแหละทงานมันไม่สุขเหมือนกับเที่ยวแต่ถ้าเที่ยวบ่อยๆแล้วไม่มีงานไม่มีงานไม่มีรายได้มันก็ก็เที่ยวไม่ได้ต้องพิจารณาว่าความอยากในสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้มันจะนําไปสู่ความทุกข์เพราะความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันชั่วคราวมันเป็นอนิจจงทุกขังของนัตตา ลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกนิ้กายไม่ว่าจะได้มามากหรือน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จบเห็นไหมพอเครอตกบับนี่เงินแสนล้านก็ไปหมดละไปเป็นของใครแล้วไม่รู้วันนี้พวกที่อยู่ก็ยิ้มแต่ก็ต้องทำหน้าตาเศร้าไว้ก่อนตอนนี้เป็นเวลาทำหน้าตาเศร้าเดี๋ยวพอเสร็จพิธีศพแล้วทีนี้ก็มา มากัดกันแล้วสิมาแย่งกระดูกนะมาแย่งกอง ส, ม บ, สมบัติกันละก็ไม่มีปัญญ า, าถ้ามีปัญญาก็ต้องดูตัวอย่างของคนที่เพิ่งตายไปเลยได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องตายไปอยู่ดีเอามาทำไมไม่คิดกันไม่คิดทางปัญญากันเห็นกองสมบัติแล้วโหยน้ำลายไหลเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาขึ้นมา ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ได้คิดว่าพอได้มาแล้วมันกลายเป็นภาระขึ้นมาทันทีความห่วงความหวงความกังวลต่างๆจะปรากฏขึ้นมาในใจจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีจะไปลงทุนอย่างไรดีจะป้องกันอย่างไรดีจะพูดกับคนอย่างไรดีเวลาเขามาของเงินทองพูดไม่ดีเขาก็โกรธเราเอกีกเกลียดเราเอกีก มีแต่ความทุกข์อย่างนั้นเถ้าไม่มีเงินทองเป็นขอทานนี่เห็นมีใครมายุ่งกับเราเนะนะไม่มีใครมาขอเงินขอทองอะไรจากเราเนะ่ยมีแต่จะมาให้เสียด้วยซ้ํเไปเห็นเรายากจนก็สงสารนะมีอะไรพอแบ่งให้ได้เป็นจนดีกว่า้วยเนะี่ยจนล้วสบายใจรวยแล้วไม่ค่อยสบายใจรวยแล้วต้องหวงสมบัติต้องห่วงสมบัติ เดี๋ยวเวลาต้องสูญเสียต้องพัดภาคจากสมบัติอันนั้นก็ทุกข์มาก น, นี่คือให้คิดอย่างนี้ให้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นตายักอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสิ่งไหนมันดูว่ามันสวยงามต้องดูมุมกลับว่าเดี๋ยวมันเก่ามันก็ไม่สวยแล้วรถรุ่นใหม่ออกมานี่ดูสวยเั้งนั้นใช่ พอใช้ไปไม่กี่ปีพอมีรุ่นใหม่ออกมารุ่นที่ว่าสวยนี่ไม่สวยทีละโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันเวลาออกมามใหม่ให่โอ้มันสวยมันน่าดูเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็พอชินตาแล้วมันก็ดูแล้วก็เฉยเฉยเดี๋ยวพอมีรุ่นใหม่ออกมาโอ้สวยสวยกว่ารุ่นเก่าอันนี้นะมันหลอกเราต้องพิจารณาอยู่เรื่อยนะ ทุกอย่างไม่เทีย่ยงมันใหม่เดียวๆไม่กี่เดือนก็ตกรุ่นแล้วเนี่ยใมพอออกมารุ่นนี้ปั๊บเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนเริ่มพูดถึงรุ่นต่อไปละอ่ารุ่นสิบละรุ่นเก้าเพิ่งผ่านไปอนนี้นี้รุ่นสิบเดี๋ยวก็มีรุ่นสิบเอ็ดออกมาและอมันก็มาตั้งแต่รุ่นหนึ่งใช่ไวมแล้วเอาอรุ่นหนึ่งมาโอยตื่นเต้นกันใหญ่ สักพักหนึ่งเดี๋ยวพอรุ่นสองออกมาไอ้รุ่นหนึ่งก็หมดความหมายไปอันนี้คืออานิจจังของต่างๆในโลกนี้ฮมันน่าดูน่าชมน่าตื่นเต้นตื่นใจแค่ชั่วยุคช่วงแ็กๆท่านเองพอต่อไปไม่นานมันก็กลายเป็นของเก่าไปเห็นไหมคนบางคนยังต้องมีแฟนหลายคนะในแฟนคนแรกก็ตื่นเต้นตื่ น, ต, นตาตื่นใจ พออยู่ไปกันสักพักชักเบื่อแล้วสิจักชินนะเดี๋ยวก็ไปเห็นคนใหม่ตื่นเต้นตื่ น, ต, นตาตื่นใจอีกแล้นี่แหละมันเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาให้มองอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะได้ไม่ไปหลงไปรักไปชอบไปอยากไปเกิดกิเลสกับมันการไม่มีกิเลสนี่มันสบายนะอยู่เฉยๆอยู่เป็นสุขนะพอมีกิเลสแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแนละ้ว ใจสัน่นมือไม้สั่นไปหมดต้องไปเอาสิ่งที่อยากได้มันนึงจะหายสัน่นหายสั่นก็หายเดียวเดียวเดี๋ยวก็กลับมาสั่นใหม่เดี๋ยวก็อยากได้ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะได้อะไรมาเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถหยุดความอยากได้มันจะมีความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆได้มากี่แสนล้านก็มันก็ยังไม่พออย่นั้น เด้วก็อยากจะได้นู่นได้นี่แล้วพอไม่ได้เวลาเสียไปก็เสียใจนี่คือคิดทางปัญญาถึงจะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจไนดะ้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะไม่อยากได้อะไรให้เป็นเศรษฐีก็ไม่เป็นให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่เป็น ให้รางวัลให้โล่ให้รางวัลให้ตุ๊กตาทองคําหรืออะไรก็ไม่อยากได้นั่นมันก็เป็นเพียงเอ่อเป็นขอเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งนะหนึ่งให้ตุ๊กตามาตัวหนึ่งแล้วคนก็แสดงความยินดีว่าเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เดี๋ยวสองวันเขาก็ลืมกันหมดนะผ่านไปแล้วพอปีหน้า เขาแจกตุก๊กตาพอไม่ได้ก็เสียใจเคยได้แล้วพอไม่ได้ก็เสียใจเคยเป็นแชมป์พอไม่ได้แชมป์ก็เสียใจอ่นี่คือความทุกข์ชนิดต่างๆที่ตามมากับสิ่งที่เราได้มาได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องเสียใจเพราะมันจะต้องมีการเสือ่อมมีการหมดไป แล้จะไม่ได้อยู่เรื่อยๆมีนี้ได้ปีหน้าอาจจะไม่ได้ให้มองอย่างนี้แล้วต่อไปจะไม่มีความอยากได้อะไรอยู่กับความสงบดีกว่าความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ที่ซื่อสัตว์กับเราที่จะให้ความสุขกับเราได้ทุกครั้งทุกเวลาที่เราต้องการ โดยเฉพาะแต่ช่วงที่ไม่มีความอยากแล้วความสุขนี้จะไม่หายไปเลยตัวที่มาทําให้ความสุขที่เกิดจากความสงบหายไปก็คือตัวความอยากนี่แล้วพอเราทําลายกําจัดความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วทีนี้มันก็จะไม่มีอะไรมาทําให้ความสงบหายไปความสงบมันก็จะสงบไปตลอดเหมือนกสะว่ายน้ําเนี่ย ถ้าเราไม่ให้คนเข้าไปอาบไม่ให้ไปไหว้น้ํามันก็นิ่งใช่ไหมนิ่งไปตลอดแต่พอปล่อยให้คนเข้าไปเล่นน้ำํำดูไปอาบไหว้น้ําไปกระโดดน้ำนํำน้ํามันก็ก็เพิ่มตลอดเวลาอืใจเราก็เป็นเหมือนน้ําเนี่ยที่มันไม่นิ่งก็เพราะความอยากนี่งความอยากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ใจเรากระเพิ่มอืม ทำให้ใจเราวุ่นวายตลอดเวลาถ้าเราสามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้แล้วจะไม่มีอะไรมาทำให้ใจกระเพื่อมใจจะอยู่เฉยๆสักแตรวร่ว่ารร้อยู่กับความสงบที่เป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงที่เป็นนัตติสันติปาลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มี ดีแหละที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาฝึกกันมาทำกันมาทำใจให้สงบความสงบของใจก็แบ่งเป็นสองระดับระดับแรกระดับชั่วคราวเรียกว่าสมาธิระดับที่สองเป็นระดับที่ถาวรเรียกว่าปัญญาสงบด้วยปัญญาด้วยการกำจัดตัวที่มาทำให้ใจไม่สงบ ตัวที่มาทำให้ใจไม่สงบก็คือกิเลสตัณหาแต่จะใช้ปัญญาให้ได้ผลก็ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อนถ้าไม่มีสมาธิอย่างตอนนี้พวกเราไม่ได้นั่งสมาธิตอนนี้รู้แล้วว่าตัวที่มาทำให้ใจเราวุ่นวายคือกิเลสตัณหาลองไปกาจัดมันดูเลยดูที่มันจะยอมไหยสู้มันได้หรือเปล่ามันไม่ยอมเราชู้มันไม่ไหว เคยเคยเคยชอบอะไรเคยกินอะไรเคยดื่มอะไรลองอย่าไปกินมันดูสิดูเราจะรู้สึกไงเคยทำอะไรแล้วลองอย่าไปทำดูสิมันจะมือไม้สั่นขึ้นมาใจสั่นขึ้นมาทันทีอย่างดเกล็ดํำคาใจจนสู้มันไม่ไหวในที่สุดก็ต้องกลับไปทำตามเดิมเคยสูบบุหรีก็กลับไปดสูบบุหรีต่อเคยดื่มสุลาก็กลับไปดืม่มโซดาต่อ เคยเดื่มกาแฟก็กลับไปดื่มกาแฟต่อเคยเที่ยวก็กลับไปเที่ยวต่อเคยทำอะไรตามความอยากมันก็จะกลับไปทำเหมือนเดิมถึงแม้ตอนนี้เรามีปัญญาแล้วเรารู้แล้วว่าการกระทำเหล่า น, นี้มันเป็นไตรลักษณทำแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจอความทุกข์แต่เราก็หยุดไม่ได้เพราะปัญญาของเราไม่มีผู้สนับสนุนปัญญาไม่มีกำลังคือใจไม่มีกาลังที่จะเอาปัญญามาใช้ หยุดกับหยุดตัณหาหยุดกิเลสหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงได้จึงต้องมีสมาธิก่อนองนั้นมองข้ามสมาธิไปไม่ได้ในการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ต, ต้องมีสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นผู้สนับสนุนอย่าเอาอุปจาระมาสนับสนุน ยาว่าอิทธิฤทธิต์ต่างๆมาสนับสนุนกิเลสไม่กลัวอิทธิฤทธิ์กิเลสมันไม่กลัวตาทิพหูทิพกิเลสมันกลัวโอเบขาเอาโอเบคามาทําลายมันออเบขานี่ได้จากอัปปนาสมาธิอิทธิฤทธิ์ได้จากอุปจารสมาธิแต่อิทธิฤทธิ์นี่มาฆ่ากิเลสไม่ได้ทําลายกิเลสไม่ได้ต้องอาศัย อุเบกขาควบคู่กับปัญญาถ้าาปัญญามาควบคู่กับอิทธิฤทธิ์ก็กระจกลายเป็นกิเลสไปเลยไม่รู้ตัวอย่างพระเทวทัตก็คิดว่าตัวเองมีอิทธิฤทธิ์มีความเก่งกาจแลยเกิดปัญญาอยากจะได้เป็นหัวหน้าสงฆ์คิดว่าตนเองสามารถปกครองสงฆ์ได้ เกิดความอยากขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวแต่คิดว่าเป็นปัญญาคิดว่าเราเราเก่งเราฉลาดเราน่าจะเป็นผู้ปกครองสูงต่อไปอก็เลยไปขอขอจากพระพุทธเจ้าขอให้แต่งตั้งให้ตนเป็นผู้ทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นกิเลส ข, ของเทวทันก็อดที่จะหัวละไม่ได้อดหน้าตาอย่างเธ อ, อมาเป็นหัวหน้าสูง นาสาวิริบุตรกับโมกคลานะเป็นพระอรหันต์เป็นาาาปนักราสาวกเรายังไม่ได้ตั้งเลยเธอนี้ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเพียงแต่มีอิทธิฤทธิ์เท่านั้นเองก็คิดว่าเก่งแล้วผู้แทนนี้ก็โกรธกิเลสโกรธขึ้นมาโกรธ ถ, ถึงอยากจะฆ่าพระพุทธเจ้าพยายามฆ่าถึงสามครั้งแต่ไม่สำเร็จ เพราะบารมีของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้าได้อืส่งคนไปฆ่าพระพุทธเจ้าก็เทศสอนว่าการฆ่าไม่ดีจนเขาเปลี่ยนใจส่งช้างไปฆ่าท่านก็แผ่เมตตาให้กับช้างช้างก็ไม่เหยียบช้างก็สงบอก้มลงกราบปล่อยกิ่งหินลงมาจากภูเขาเพื่อมาให้ทับพระพุทธเจ้าก็ไม่โดนะ มีแต่สะเก็ดหินไปทำให้ข้อเท้าข้อเท้าห้อเลือดท่างเองพระบาทห้อเลือดท่านนั้นเองแต่เป็นการกระทาที่ถือว่าเป็นกรรมหนักอย่างยิ่งเลยต้องถูกแผ่นดินสู่ไปแ ล, แล้วก็ต้องไปตกนรกในอบายแต่ดีอย่างหนึ่งตอนที่ก่อนจะตายนี้สำนึกผิด ขอถวายกรรมเป็นพุทธบูชาขอขมาลาโทษต่อพระพุทธเจ้าความสำนึกผิดของตอนนี้จะทำให้ตนหลังจากที่พ้นจากนรกแล้วนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่และจะบําเพ็ญเป็นพระประเจกาพุทธเจ้าต่อไปนนี้คือเรื่องของอุปจารสมาธิอย่าไปสนใจ บางคนชอบนั่งสมาธิแล้วอยากจะเหาะได้อยากจะเห็นนรกเห็นสวรรค์อยากจะระลึกชาติได้อยากจะติดต่อกับผีอยากจะติดต่อกับผีสางเทวดาได้อยากจะติดต่อกับคนที่ตายแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นจริงทำได้แต่มันไม่เป็นประโยชน์ ต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์มันจะทำให้หลงแล้วก็จะติดอยู่กับอุปจาระสมาธินั่งสมาธิทีไลก็จะไปเข้าไปหาตาทิพูทิพย์ไปหาอะไรมามาเสพมาสัมผัสให้สนุกให้เพลิดเพลินไปเท่านั้นเองแต่เวลาออกจากสมาธิมาพอกิเลสโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้ พอความโลภความอยากโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้แล้วอาจจะต้องทำให้ไปทาผิดทำบาปเพื่อจะได้สิ่งที่อยากได้งั้นถ้าขายนั่งสมาธิแล้วเกิดไปมีอิทธิฤทธิ์อะไรก็ดึงจิตกลับเข้ามาที่อัปปนาสมาธิให้กลับเข้ามานิ่งๆเฉยๆให้สักแต่ว่ารู้อย่าปล่อยออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆ อย่าไปติดต่อกับเทวดาอย่าไปติดต่อกับผีสางอะไรหนึ่งจ็ดแข่งกับความมาหาอุเบกขาให้นิ่งสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะเวลาออกจากสมาธิมาตัวนี้แหละจะเป็นคู่ผู้สนับสนุนปัญญาเวลาปัญญาสอนใจว่าอย่าไปยาอยากอยากแล้ทุกข์นะ สิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังแลหน้ตตาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันไปเวลาจากกันก็เหงาว้าเวยเศร้าซ้อยต้องหาใหม่สูบบุหรี่มวนนี้บอหมดมวนครับเดี๋ยวก็หิวอยากจะสูบมวนใหม่ถ้าไม่มีมวนใหม่ไม้สูบก็หมดเกล็ดลงแดงต่อไปดื่มเหล้าดื่มอะไรดื่มกาแฟ เที่ยวช้อปิ้งเหมือนกันทั้งนั้นพอเคยทาแล้วมันจะติดเหมือนยาเสพติดพอเวลาอยากจะทําแล้วไม่ได้ทํานี่มันหงดเหง็ดมันลาคาญใจมันเบื่อหน่ายต้องไปทําถ้าไม่ทําแล้วมันมันทนไม่ไหวทําเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิมทําเท่าไหร่มันก็ดีใจเดี๋ยวเดียวสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่ขึ้นมาอีก ก็ต้องไปทาใหม่อีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อที่จะได้มาทำใหมทท่ที่มาของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการทำตามความอยากต่างๆนี่เองแต่เรายังทำตามความอยากต่างๆอยู่เดี๋ยวก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากมันไม่หมดความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ความอยากมันอยู่ที่ใจใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปใจออกจากร่างไปมันก็ความอยากมันก็พาไปหาร่างกายอันใหม่พาไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่มาเป็นเด็กก่อนแล้วก็มามาเรียนรู้อะไรต่างๆมหัดทำนู่นทำนี่พอโตก็หาเงินหาทองหาอะไรมาทําตามความอยากต่อ แล้วพอแก่ก็ต้องมาทุกข์เพราะว่าทำไม่ได้นะพอแก่พอเจ็บก็ทุกข์พอตายก็ทุกข์เนี่ยแ้วเดี๋ยวว่ากลับมาเกิดใหม่อ่าถ้าตราบใดยังทำตามความอยากอยู่การมาเกิดนี้จะไม่มีวันหมดนี่คือภัยอันตรายของการทำตามความอยากการจะหยุดความอยากได้จึงต้องฝึกสมาธิก่อน ให้จิตมีอปปนาสมาธิมีอุเบกขาแล้วก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างที่ใจอยากได้นั้นเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังมรณตาไม่เที่ยมเป็นของชั่วคราวเป็นของปลอมเป็นความสุขปลอมไม่ใช่สมบัติของเราไม่ช้าก็เร็วมีมากมีน้อยเดี๋ยวก็ต้องทิ้งไปหมดไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตาย เมื่อนาจากกันก็เศร้าโศกเสียใจร้อง ห, มองหอ่มร้องไห้อืพยายามคิดทางปัญญาอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ฝึกสมาธิได้แล้วะถ้าได้สมาธิได้ ป, ปัญนาได้ทั้งวันทั้งคืนก็ออกมาคิดทางปัญญาต่อไปคิดว่าเป็นตายรักถ้าไปชอบไปรักใครก็ต้องคิดว่าเป็นหัวโขนหัวโขนครอบครอบกะโหลกศีรษะอืม ชุดประดาน้ำหุ้มหอ่อโครงกระดูกแกะมันออกถอดถอดหัวโขนออกถอดชุดประดาน้ำออกเราจะเห็นร่างกายของจริงว่าเป็นอย่างไรของจริงของร่างกายก็คือโครงกระดูกไปในโครงกระดูกก็มีอวัยวะมีปอดมีตับมีไตมีหัวใจมีลำไส้มีสมองมีน้ำชนิดต่างๆ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสล็น้ำมันข้นน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำลายน้ำมูกน้ำปัสสาวะเน้ำทั้งนั้นอยู่ในร่างกายอันนี้เนินไม่มีอะไรที่มันน่าดูเลยไปหลงตรงที่ไอตัวหัวโขนกับไอตัวอหนังที่หุ้มหอมันนั้นเองเห็นแล้วก็หลงหลายข้าง้ายกันฆ่ากันฟันกันแย่งกันติดคุกติดตารางกัน กะพรอเนี่ยไปเห็นเห็นแต่หัวโขนเห็นแต่หนังเนื้อที่หุ้มห่ออวัยวะต่างๆท่านั้นเองถ้าฝึกทางปัญญาคิดทางปัญญาอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะเห็นหมดเห็นข้างในเห็นมากเห็นชัดกว่าไปเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ยังเห็นเป็นเงาเห็นมเห็นกระดูกเป็นเงาเป็นภาพขาวดำอันนี้ทางปัญญานี้เห็นเป็น เป็นสี่สีเลยเห็นเขียวเห็นแดงเห็นสดสดร้อนๆ้อนเลยเห็นทางปัญญาเนี่ยมันจะเห็นเป็นเลือดเลือดก็แดงไปเลยเออนี่คือเรื่องของการฝึกจิตการฝึกสมาธิการฝึกสมาธิเพื่อสนับสนุนปัญญาอย่าฝึกสมาธิเพื่อให้เกิด อเอธิริศอย่าให้เกิดอภินญาต่างๆอย่าไปให้เกิดตาที่ผูทิ่เปื่อย่าไปแล้วเลึกชาติได้อย่าไปเหาะเหินเดินอากาศได้มันไม่สามารถเอาไปฆ่ากิเลสได้คว า, ามสามารถเหล่านี้เอาอัปปนาสมาธิเพื่อเอาอุเบกขาอุเบกขานี้เป็นกลางใจเป็นกลางใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง เวลาจิตสงบเป็นอุเบกขานี้ใจจะเฉยเห็นอะไรออกมาจากสมาธิก็จะเฉยใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยจิตไม่ได้ไปมีอารมณ์กับสิ่งที่ได้สัมผัสรับรู้อันนี้แหละที่จะทำให้เอามาใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยกับสิ่งที่เคยรักเคยชังได้ พอเห็นแล้วว่าเวลารักเวลาชังนี่มันทำให้ใจกระเพิ่มทำให้ใจไม่สบายสู้เบกขาไม่ได้เวลาไม่ลักไม่ชังนี้สบายพอลักอะไรขึ้นมาใจร้อนขึ้นมาพอชังอะไรขึ้นมาใจร้อนขึ้นมาพอกลัวอะไรใจร้อนขึ้นมาพอหลงนะร้อนขึ้นมาพอไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงไม่เย็นสบายปล่อยวาง เห็นเวลาเห็นอะไรก็จะไม่มีความอยากได้เพราะไม่มีความรักความชังแต่ถ้ามีความรักความชังนี้ความอยากมันจะตามมาทันทีถ้าเห็นอะไรรักอะไรนี้อยากได้ทันทีถ้าชังอะไรอยากจะกำจัดมันทันทีอันนี้มันจะทำให้จิตต้องวุ่นวายต้องไปทำตามความอยากพอไปทำตามความอยากเดี๋ยวก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีกรักอะไรอยากจะได้ ไม่มีเงินซื้อก็ต้องไปขโมยมาขาโมยมาเดี๋ยวก็ถูกจับเข้าไปติดคุกติดตารางอีกมีแต่ปัญหาตามมาทั้งนั้นถ้าลองปล่อยให้ใจออกจากอุบเบกขาถ้าปล่อยให้ใจไปทำไปตามความอยากแล้วมันจะต้องมีเรื่องมีราวแล้วก็จะพาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดถ้าดึงใจให้อยู่กับอุบเบกขาได้ให้สักแต่วรู้ได้ด้วยปัญญาด้วยสมาธิ เห็นอะไรก็เฉยใครจะด่าก็เฉยใครจะชมก็เฉยใครจะให้เงินมากี่ล้านก็เฉยใครจะพองขโมยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเท่าไหร่ก็เฉยเป็นของนอกกายนอกใจไม่ใช่ของเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันจากกันคนที่มีปัญญาจะไม่ตื่นเต้นกับการมาการไปของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะรู้ว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้โลกของอนิจจังทุกขังอนัตตามีการเกิดก็ต้องมีการดับมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมมีมาก็ต้องมีไปมีขึ้นก็ต้องมีลงเมื่อเช้านี้เจอยอดโยมคนหนึ่งสามีเพิ่งเสียโอ้ร้องผมร้องให้ทำไมห้ามร้องให้แล้วเขกลับมาหรือเปล่า น้องไงเขาก็าไม่กลับมาอยู่ดีล้องไปทำไมร้องไปให้เหนื่อย บ, อบอ่พอไม่มีปัญญาไม่เคยฝึกจิตพอจิตไปกระทบกกับสิ่งที่ไม่ชอบนี่ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าได้ฝึกจิตแล้วพอทราบข่าวก็เฉยจะทำไงล่ะเขาตายแล้วใช้ทางก็ก็ไปทาศพเท่านั้นจะทำอะไรเก็บไว้เดี๋ยวมันก็เหม็นเนะ่ ใจทําอะไรนะ่ะใจร้องหมร้องไห้แล้วมันฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าอ่านี่คือทางปัญญาจะเป็นนี้ใจจะเฉยใจถ้าพูดทางโลกก็เหมือนคนใจหินคนใจไม่มีน้ําใจ <c oughs> มันไม่ใช่หรอกมันเป็นความมันเป็นเป็นเหตุผลเนะี่ยมันไปหุ่นไปตีโพตีพายไปร้องห่มร้องไห้แล้วมันเกิดมันได้อะไรเนะี่ย ได้แต่ความทุกข์ใจเหมือนกับเอาเอ า, เอามีดมากรีดตัวเองแล้วมันได้เลยเวลาเห็นคนอื่นตายเราเสียใจก็เลยแสดงความเสียใจของตนด้วยการเอามีดมากรีดตัวเองให้เลือดออกซิฟซิฟนี้มันเกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่อารมณ์เป็นอย่างนี้คนที่ไม่ได้ฝึกสมาธิไม่ฝึกปัญญาจะถูกอารมณ์ครอบงมเวลารักกับรักสุ ด, สด เวลาชังก็ชังสุดๆเวลากลัวก็กลัวสุดๆเวลาหลงก็หลงสุดๆแล้วก็ต้องทุกข์สุดๆถ้ามีสมาธิมีปัญญาแล้วจะเฉยๆ เ, เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาใจของเราให้เป็นปกติไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นหรือดับไป ด้วยสมาธิและปัญญาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริโปเลติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกัรปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจจโต สัพเพปเรนตุสังกปายันโทปนะหระโสยธามณิโชติอระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินาศสตุมาเตภวัตวันตระยุสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวาทนัสสีลิสานิจังุทธาปจายโนจตารโรธรรมะวะาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลาัง ว, วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยเจ็ดสิบเก้าูทูปสองร้อย วิทยุออนไลน์ยี่สิบเก้ารับฟังข้างบนเขาสามสิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยสี่สิบสามครับใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้ในตอนนี้จะมาถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้ถ้ามาถามเองจะมีไมโครโฟนให้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามา ทางบ้านตอนนี้มีเข้ามาลอลไรยังคําถามเอาเลย <c oughs> คําถามจากคุณอู๋กราเปลียนถามพระอาจารย์ค่ะการทําบุญใส่บาตรในวันธรรมดากับทําบุญใส่บาตรในวันพระอา น, นิสงส์หรือผลบุญที่ได้แตกต่างแตกต่างกันไหมเช้ะค่ะก็เหมือนกินข้าววันธรรมดากับกินข้าววันพระนั่นแหละมันอิ่มเหมือนกันหรือเปล่า การทำบุญก็เป็นการกินข้าวของใจบุญนี้เป็นอาหารใจกินวันไหนทำบุญวันไหนมันก็อิ่มใจวันนั้นแหละเหมือนกันกินข้าวกินวันนี้กินวันพระกินวันสาวัวนอาทิตย์มันก็อิ่มเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณจินคอปกราบนมัสการครับมีเพื่อนฝากคำถามครับพญนาคมมีจริงไหมครับ เป็นงูหรือเทวดาครับและบั้งไฟพญานาคคือเรื่องจริงใช่ไหมครับเราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เหมือนกันต้องไปถามที่อื่นคำถามต่อไปจากคุณจูนน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลามีอาการปวดหัวหรือง่วงนอนพอทำสมาธิบางครั้งรู้สึกวูบลงไปแล้วตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมา ทำไมอาการปวดหัวหรือง่วงนอนถึงหายไปคะก็ถ้ามันเกิดจากความคิดมันพอหยุดคิดมันก็หายเลยบางทีปวดหัวเพราะมันเครียดคิดถึงเรื่องหนี้สินคิดถึงเรื่องแฟนแอบไปเที่ยวที่ไหนยังไม่รู้ก็อาจจะทําให้ปวดหัวได้พอไปนั่งสมาธิไปหลับมันก็หยุดคิดพอหยุดคิดความเครียดที่เกิดจากความคิดมันก็หายไปเลย คำถามต่อไปจากคุณส้มกราบนมัสการพระอาจารย์แม่ยายที่ตายไปแล้วมาเข้าฝันทีไรมีแต่มาที่ร้านขายของบอกเราว่าให้แบ่งขายแสดงว่าจิตใจเขายังติดอยู่ที่ร้านขายของหรือเปล่าคะก็ไม่รู้ว่าเขามาจริงหรือไม่หรือเราคิดเองต้องหาวิธีพิสูจน์ว่าเขามาจริงหรือเปล่า ้องถามว่าของที่เขารู้ที่เราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบอกเราหน่อยได้ไหมให้เราไปพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงหรือเป็นความฝันของเราเองบางทีเราก็ฝันไปเองคิดไปเองบางทีเขาเข้ามาถ้าเขาเข้ามาเราต้องพยายามหาหาวิธีพิสูจน์ว่าเขาเข้ามาจริงๆหรือเปล่าอย่างมีเรื่องแม่ชีเนี่ย เดีจ ะ, จะนั่งสมาธิแล้วจะมีะคนตายหรือสัตว์ตายเช่นหมูป่าตายวัวตายควายตายเวลาตายก็ไปร้องทุกข์กับแม่ชีว่าถูกเจ้าของถูกนายพรานฆ่าตายอนะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะเอาเนื้อของเขามาถวายให้กับแม่ชีขอให้แม่ชีรับเขาจะขออ มือนกับขอทำบุญกับแม่ชีด้วยการบริจาคเนื้อของเขาแล้วพอรุ่งเช้าก็มีคนเอาเนื้อมาให้ถ้าอย่างนี้มันก็พิสูจน์ได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าเป็นแต่ฝันไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นมาก็เป็นเรื่องของความคิดของเรามากกว่า ถ้าไม่มีอะไรมาให้เราพิสูจน์ได้แล้วก็อย่าเพิ่งไปโมเมอย่าไปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ฟังหูไว้หูไว้ก่อน้ารามาสูตรคำถามต่อไปจากคุณนิตยากราบเรียนถามการที่เรานำเงินส่วนรวมในบ้านไปทำบุญบางครั้งก็บอกให้อนุโมทนาร่วมกันบางครั้งก็ไม่ได้บอกเราจะบาปไหมคะที่ไม่ได้บอก ก็เราต้องอทำความเข้าใจกับคนในบ้านก่อนว่าเงินส่วนโนนี้อนุญาตให้เราไปทําบุญได้ตามอัธยาศัยหรือไม่หรือต้องบอกทุกครั้งออันนี้ต้องมีกฎกติกาถ้าเขาบอกว่าต้องบอกทุกครั้งเราก็ต้องบอกเขาให้เขารับทราบให้เขายินดีก่อนถ้าเขาไม่รับทราบไม่ยินดีเราไปทํำเองก็เหมือนกับเราไปขโมยเงินเขาไปทําบุญ เห็นต้องได้ฉั้นทานุมาจากคนที่เป็น เ, เป็นเจ้าของร่วมคำถามต่อไปจากคุณซันกราบนมั ส, สการครับการที่เข้าไปในร้านนวดสปาแล้วให้ผู้หญิงนวดให้แต่ไม่ได้มีอะไรกันนั้นเป็นบาปไหมครับเอจะบาปตรงไหนแล้วนวดมันก็ไม่บาปเนะี่ยถ้ามีอะไรกันมันถึงบาปนะมันผิดประเพณี จะมีะรายกันต้องมีแต่เฉพาะสามีภรรยาของตนถึงจะไม่ผิดประเพณีคำถามต่อไปจากคุณเสากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอัปปนาสมาธิจะอยู่ในปฐมฌานใช่ไหมเจ้าคะหรือเป็นคนละส่วนกันอยู่ในฌานสี่คำถามต่อไปจากคุณสุขกายสบายใจ นั่งสมาธิแล้วเหลือแต่ตัวรู้เวลาผ่านไปเร็วมากที่ว่าจิตรวมจิตรวมเป็นแบบนี้ไหมครับก็มันสบายมันสุขมันเป็นโอเบ ค, คาหรือเปล่าแต่ว่ารู้หรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณวิวรรสุวัตนามัสการหลวงพ่อครับเราคนทั่วไปยังมีสังขารการปรุงแต่ง จึงไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงหากตัดตัวสังขารการปรุงแต่งออกไปแล้วการมองโลกจะเป็นอย่างไรครับมองโลกมันก็จะมองเฉยๆเหมือนหนังเงียบเนีเวลาดูหนังไม่มีคนพากเนี้มันก็เห็นแต่ภาพเฉยๆมันไม่ได้ไปปรุงแต่งว่าเป็นใบไม้เป็นต้นไม้เป็นคนเป็นสัตว์มันก็สักแต่ว่าเห็นเฉยๆเสียงได้ยินก็เหมือนกับเสียงไม่มีความหมายอย่างนั้น เป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาไปถ้าไม่ไปคิดปรุงแต่งออคำถามจากคุณโพธิคมัมมณีกราบเรียนถามพระอาจารย์ไม่ค่อยได้ทำทานแต่จะพยายามหมั่นนั่งสมาธิจะได้บุญแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะออสมาธิมันบุญที่ยากกว่าสูงกว่า ถ้ายังทำทานไม่ได้อย่าไปหวังนั่งสมาธิเลยเพราะใจยังไม่มีกำลังพอที่จะก้าวขึ้นสู่ขั้นสมาธิได้ใจยังหวงเงินหวงทองอยู่นอกจากว่าไม่มีเงินทองจริงๆอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามีเงินมีทองแต่หวงเงินหวงทองอเสียดายเงินเสียดายทองอยู่จิตยังผูกพันอยู่กับเงินทองอยู่เวลาไปนั่งสมาธิมันนั่งไม่สงบแล้ว คำถามต่อไปจากคุณชินกระเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะภาวนาไปมันรู้สึกว่าใจมันเรียบๆพอมีอะไรเข้ามากระทบมันเหมือนมีอะไรลอยขึ้นจากจุดที่เราอยู่มันวู้ไปไปอยู่ตรงอื่นแล้วพยายามดึงกลับมาอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสอนวันนี้การรักษาใจเป็นเรื่องยากสมาธิจะแค่นั่งภาวนาในรูปแบบนั้นไม่พอคะ่ะ ต้องพยายามรักษาให้ได้ทั้งวันแถมยังต้องมานั่งชดเชยในส่วนที่ขาดไปเหมือนแค่รักษาและฟื้นฟูให้ทรงตัวขอความเมตตาพระอาจารย์แนะนำด้วยเจ้าค่ ะ, ะก็ถูกก็เนี่ยก็พยายามทำต่อไปทำให้มันสงบทั้งขณะที่นั่งและขณะที่ออกจากสมาธิมาอย่าให้มันทรงอยู่ในอุเบกขาเป็นนา น, าน มันออกมาแล้วมันไม่อยู่อเบิกขาก็กลับเข้าไปนั่งใหม่พอนั่งแล้วได้อุเบกขาก็ออกมาใหม่พอออกมาอุเบกขาหมดก็กลับเข้าไปใหม่เหมือนน้ำแช่เย็นเวลามันออกมาจากตู้เดี๋ยวมันหายเย็นก็เอากลับเข้าไปแช่ใหม่พอมันเย็นแล้วก็เอกมาเอามาใช้มาดื่มใหม่พอมันหมดมันหายเย็นก็กลับเข้าไปแช่ใหม่จิตต้องพยายามให้มันเย็นตลอดเวลา เย็นทั้งในสมาธิและเย็นทั้งขณะที่ออกจากสมาธิมาคําถามต่อไปจากคุณสัพพรสีบอกว่าจะทําบุญผ้าป่าเป็นเงินจํานวนหนึ่งแต่วันที่ไปถวายไม่ได้นําไปแต่จะโอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแบบนี้ถือว่าเราติดหนี้กรรมตรงไหนไหมเจ้าคะก็ไม่ติดอ่ะเพียงแต่เรายังทําบุญไม่ครบเราก็ทําไปเป็น เหมือนกับผ่อนส่งไปอย่เรียกว่าผ่อนส่งก็ได้แล้วทําบุญทีละเล็กทีละน้อยก็ได้ะยังไม่ได้ทําแบบเ ป, เป็นก้อนไปเลยก็ได้ทั้งนั้นจะทําแบบไหนก็ได้จะต่างกันตรงที่ว่าถ้าทําทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวเกิดตายไปก่อนมันก็จะจบมันจะทําต่อไม่ได้ถ้าคิดว่าชีวิตไม่แน่นอนตอนนี้ในน่จะทําบุญอยู่แล้วเงินก้อนนี้ไม่จะกักไว้ทําไมก็ทํามันไปเลยทีเดียว มันก็จะได้ได้บุญทันทีได้เต็มที่แล้วเกิดตายไปเราก็ได้รับประโยชน์จากบุญนี้ทันทีนีคำถามต่อไปจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์ถ้าความคิดที่หนึ่งทำให้เกิดทุกข์เราก็สร้างความคิดที่สองทำให้ความคิดที่หนึ่งไม่เกิดคำถามความคิดที่หนึ่งคือสัมมุทัยความคิดที่สองเป็นมรัก และความคิดที่หนึ่งไม่เกิดคือนิโรธใช่ไหมครับอถ้าเกิดมากแล้วหยุดความคิดที่หนึ่งได้มันก็ทุกข์ก็ดับไปกังวลกับแฟงนับปองว่าเขาไม่ใช่ของเราเขาจะไปจะอยู่กับคนอื่นก็ปล่อยเขาไปห้ามเขาไม่ได้คิดแบบนี้คิดตอนต้นก็คิดว่าเป็นของเราต้องเป็นของเราอยู่กับเราพอมาคิดด้วยปัญญาว่าแล้วเราไปบังคับเขาได้หรือเปล่าเราก็บังคับเขาไม่ได้ เขาจะไปก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ยอมก็ยอมให้เขาไปพอคิดแบบนี้ความคิดที่หนึ่งก็ดับไปความคิดที่หนึ่งดับไปทุกก็ดับไปนี่โลดก็คือการดับของความทุกข์คําถามต่อไปนะครับจากคุณวรพัฒนกราบนามัสการพระอาจารย์ครับ พระพี่ชายได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งเว้นว่างจากเจ้าอาวาสเป็นเวลาสามปีแล้วครับซึ่งในระหว่างนั้นกรรมการวัดและพระลูกวัดก็ได้จัดการทรัพย์สินเงินทองและผลประโยชน์ต่างๆกันเอง ตอนพระพี่ชายเข้ามาก็มาจัดระเบียบภายในวัดให้เข้ารูปเข้ารอยเช่นอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบาตก็ให้มาเก็บไว้ที่ส่วนกลางจากปกติบิณฑบาตแล้วเก็บเป็นส่วนตัวหรือให้กับญาติพี่น้องเป็นต้นจึงทําให้เกิดการขัดผลประโยชน์จากการแต่งตั้งกรรมการวัดชุดใหม่ด้วยผู้ใหญ่บ้านและกำนันจึงรวมลูกบ้านมาเพื่อขับไล่พระพี่ชายออกไปจากวัดลักษณะแบบนี้ เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรดีครับใครละ่ะเราเป็นใครนะโบก็บอกเป็นพระพี่ชายครับน่าจะเป็นน้อง ใ, ให้ใครเป็นคนใครให้ใครปฏิบัติให้ตัวพี่ชายหรือตัวน้องชายน่าจะถามให้พี่ชายครับถาพี่ชายฮอก็แล้วแต่ว่าอยากจะมีเรื่องหรือไม่มีเรื่อง <c oughs> ถ้าไม่มีเรื่องก็ทาเคยทำยังไงก็ทำยางงั้นต่อไป แล้วค่อยๆปรับไปทีละนิดเทีเยวหน่อยทำความเข้าใจกันไปถ้าเขารับได้ก็ปรับไปเปลี่ยนไปถ้าเขารับไม่ได้ก็ปล่อยไปถ้าไม่อยากจะมีเรื่องถ้าอยากมีเรื่องก็ดักต้องหักด้ามพลาไปเลยครูจะเอาอย่างนี้แหละ อ, อย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องเอาแบบนี้เขาก็เขาก็ฮึดสู้กันมาเพราะเขาเคยอยู่แบบนี้กินแบบนี้ใช้แบบนี้ของเขา ปันอยู่วันดีคืนดีพี่เราก็มาเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ถ้าเขามีกำลังสู้เขาก็ต้องสู้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของเขาเขาไม่สนใจหรือว่าผิดถูกว่าคนส่วนใหญ่จะมองผลประโยชน์เป็นหลักเรื่องหลักความถูกต้องนี่มันมันยากคำถามจากคุณภูทเทลอยากปฏิบัติธรรมออกบวชมากคะ่ะ แต่ติดหน้าที่ในโลกแสดงว่าเรายังมีกรรมที่พ้นไม่ได้ใช่ไหมโชค้าไม่หรอกแสดงว่าเรายังติดอยู่นะนี่เราไม่ปล่อยมันก็ติดแต่ถ้าปล่อยมันก็ไม่ติดนะเรายังอยากอยู่เรายังอยากอยู่กับโลกมันก็เลยไปไม่ได้ปากหนึ่งก็ว่าอยากไปแต่ใจหนึ่งก็ยังอยากอยู่ ถ้ามันอยากไปจริงๆต่อให้มาช้างมาฉุดก็ไม่อยู่ใช่ไหมใช่มันไม่อยากจริงรสิจะไปอ้างกรรมอ้างนูน่นน้างนี่ไปยิ่งดีจะได้ไม่ต้องไปโทษกรรมเสียอย่างเดียวคำถามต่อไปจากคุณเรืองรุ่งน้องสาวเป็นซีดถุงน้ำที่ไตเหมือนคนท้องเก้าเดือนมาหลายปีแล้วเจ้าคะ่ะอันนี้เป็นโรคกรรมใช่ไหมคะ เป็นโลกเกิดเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายออถ้าไม่อยากจะมีโลกอย่างนี้ก็อย่ามาเกิดออถ้าไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีโรคซีดไม่มีโรคมะเร็งไม่มีโรคความดันไม่มีโรคอะไรต่างๆคำถามหมดแล้วนะ เ, ออ เ, ออเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเป็นตัวร้ายกาจที่สุดพระพุทธเจ้าบอกไม่มีอะไรร้ายกาจยิ่งกว่าการมาเกิด เกิดเป็นทุกข์นะฮะพอเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่เจอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเจอการพัดพรากจากกันเจอความเศร้าโศกเสียใจเจอความตายไอ้ตัวที่พาให้มาเกิดเนี่ร้ายกาจก็คือตัวตันหาความอยากต่างๆอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่ทุกข์อยากไม่อยากลำบากความอยากเหล่านี้มันพาให้เราดิ้นให้เรามาหาความสุขกั น, กนมีพระพุทธเจ้าที่ไม่ที่ไม่มาไม่เหมือนพวกเราท่านเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าความอยากนไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายท่านก็เลยต้องสละราชสมบัติตัดความอยาก อยากในทรัพสมบัติก็ต้องตัดทิ้งไปอยากในลูกในเมียก็ตัดทิ้งไปทิ้งมันหมดไปอยู่คนเดียวไปสู้กับกิเลสตัญหาความอยากพอกำจัดมันหมดแล้วทีนี้ก็สบายไม่มีตัวพามาให้เกิดเด็กต่อไปคำถามต่อไปนะครับจากคุณใจรัฐกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับ คนที่ฆ่าตัวตายเขาหมดอายุไขแล้วใช่ไหมครับถ้าฆ่าตัวตายมันก็ตายจะหมดหรือไม่หมดมันก็ตายนะตายแบบไหนมันก็หมดอายุไขทั้งนั้นนะตายด้วยอบัติเหตุตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บตายด้วยความชรามันก็หมดอายุไขนั่นเนอะคำถามต่อไปจากคุณบัณฑิต ผมคิดว่ากายนี้เหมือนรถยนต์ความคิดเหมือนผู้โดยสารใจนี้เหมือนคนขับรถยนต์ความคิดคอยพูดให้ใจฟังให้รับสุขรับทุกข์แต่ทั้งสามสิ่งนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ตัวผมแต่ผมเป็นแต่ผู้ดูผู้ฟังความคิดนี้อันนี้ถูกต้องไหมครับเราไปทําตามความคิดด้วยไม่ใช่ดูเฉย พอคิดแล้วก็ทําตามเพราะว่าไอ้รถคันนี้สวยก็อยากจะได้ขึ้นมาเอมุนกล้องอันนี้สวยก็อยากจะซื้อขึ้นมาเอสถานที่นี้น่าไปก็อยากจะไปขึ้นมาเออถ้ามันฟังเฉยๆก็ไม่มีปัญหาปัญหาคือพอฟังแล้วมันเชื่อฟังทําตามที่ความคิดสั่งเฮ้ hey, ไปไหมไปเที่ยวไหมไปเลยเอไปดื่มเหล้าไหมไปเลยเอ ไปเข้าบาเข้าบ่อนัหมไปเลยคาสิโนโไปกันเลยมากงหมาเก้าอปล่อยเป็ดเนี่ยก็ความคิดทั้งนั้นแหละความคิดเป็นตัวลากพาเราไปถ้าเราแน่จริงต้องให้มันคิดไปทางไปบวชัหมไปเลยไม่ <laughs> ไปทางนี้เนี่ยคำถามจากคุณสุ มีคำถามนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับจิตทําหน้าที่กับจิตที่มีสติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับจิตที่มีสติก็เหมือนคนที่ไม่เมาเหล้าไงจิตที่ไม่มีสติก็เหมือนคนเมาเหล้าจิตที่มีสติก็จะรู้จักควบคุมการคิดการพูดการการะทําให้อยู่ในความเหมาะสมะแต่ถ้าจิตไม่มีสติแล้วมันก็มักจะ ออกนอกลู้นอกทางทำอะไรพูดอะไรก็ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้อื่นและกับตนเองคำถามต่อไปจากคุณโจโจ้กราบเรียนถามพระอาจารย์ครับทำอย่างไรไม่ให้เผลอสติได้ตลอดวันตลอดคืนครับก็ต้องดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่าให้ไปอดีตอย่าให้ไปอนาคตให้อยู่กับร่างกาย ให้เฝ้าผูกติดไว้กับร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรก็ทำกับร่างกายร่างกายกำลังอาบน้ำก็อาบน้ำกับร่างกายอย่าให้ร่างกายอาบน้ำแล้วเราก็ไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไปที่ทำงานแล้วหรือไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้าอยากจะมีสติต้องดึงผูกใจไว้กับร่างกายหรือผูกไว้กับพุทโธก็ได้ ให้มีพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตนั้นก็จะไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตไม่ได้มันก็จะอยู่ในปัจจุบันคำถามต่อไปจากคุณนัทวุฒิหากเรามีสัญญาที่ยึดติดไว้แน่นมาก ทำให้เวลาเราเจอกับเหตุการณ์ที่เราจําฝังใจนั้นๆแล้วทําให้ร่างกายเราทรมานเช่นกลัวหวาดระแวงทุรนทุรายเป็นต้นเราพอจะมีวิธีกําจัดสัญญาแบบนี้ยังไงดีครับวิธีแรกก็หยุดมันสิเอาพุโทโธไปหยุดมันให้เอาพุโทโธเป็นสัญญาแทนให้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าแทนอย่าไปนึกถึง ไอเหตุการณ์หรือสิ่งนั้นดึงมันมาให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปแล้วสัญญาเก่ามันก็จะหายไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะอย่างเราไปทำบุญสร้างวัด เราจะคิดอย่างไรให้มีความรู้สึกว่าไม่ยึดว่าวัฏนั้นเป็นของเราเพื่อให้จิตจะได้ละซึ่งความยึดมั่นถือมั่นและไม่รู้สึกหวงหรือเป็นเจ้าของค่ะเผื่อตายไปจะได้รับอนิสงค์ของบุญอย่างเต็มที่ก็ของเราให้เขาไปแล้วมันจะเป็นของเราได้ยังไงนะใช่ไเราให้ให้นดความไปแล้วเรายังจะไปถือว่าเป็นของเราก็เหมือนก็ไม่ได้ให้นะสิ เห็นให้อะไรใครไปก็ต้องถือว่าเป็นของเขาแล้วเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแล้วให้คิดอย่างนี้ว่าไม่ได้เป็นของเราเป็นของเขาแล้วคำถามหมดหมดแล้วแต่ถ้าไปคิดว่ายัางเป็นของเราอยู่เขาจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อยู่ก็เหมือนก็ไม่ได้ให้เขาเหมือนกับไปใช้เขาามามาดูแลวัดให้เรา ไม่มันก็ไม่ได้เป็นการให้ไม่ได้เป็นการทำทานถ้าเป็นการทำทานแล้วต้องถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วเขาจะเอาวัดนี้ไปทำอะไรก็เรื่องของเขาก่อนจะให้ก็คิดให้ดูดีก่อนว่าคนที่จะรับจากเราไปนี้จะเอาไปทำตามที่เราต้องการหรือไม่ถ้าคิดว่าเขาเป็นคนที่จะทำตามที่เราต้องการได้ก็ให้เขาไป ส่วนให้ไปแล้วเขาเปลี่ยนใจเขาจะาอาไปทำอย่างอื่นเอาไ ป, ไ, ปไปทำเป็นศูนย์การค้าก็ช่วยไม่ได้ลนะเพราะเป็นของของเขาล้วไปทาสนามกอล์ฟนี่ก็ห้ามเขาไม่ได้นะใช่ไหมถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปให้สร้างเองแล้วเขาไปเป็นเจ้าวาดเองก็ได้ ย, <laughs> ยังไม่มานะ นว่าเวลาให้อะไรใครไปแล้วอย่าไปตามอย่าไปติดตามบางคนให้ของผ้าเราคอยดูว่าท่านฉันหรือเปล่าท่านหยิบเพราปวดหัวพอไม่หยิบก็มาเตือนสติอันนี้อร่อยนะท่านอย่างงู้นอย่างนี้จะให้หยิบให้ได้แม่ ให้ไปแล้วเป็นเป็นสิทธิ์ของคนรับเขาจะเอาไปทำหรือไม่ทำเขาจะกินหรือไม่กินก็เรื่องของเขาเขาจะไปให้คนอื่นต่อก็อย่าไปเสียใจเพราะมันไม่ได้เป็นของเราแล้ ว, ลวมันเป็นของเขาแล้วคำถามต่อไปจากคุณนัฐพรหนูมีความคิดว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ และฆ่าลูกได้เขาคือสัตว์ที่ได้เกิดในร่างคนแต่จิตเรายังเป็นสัตว์อยู่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะข่าใครก็ตามเป็นสัตว์ทั้งนั้นเป็นเดรัจฉานไม่เป็นสัตว์ก็เป็นเปรตเป็นเป็นผีเป็นสัตว์นรกเนียคนที่ทำบาปนี่จิตใจนี่เป็นอบายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรลกายบ้างเป็นนรกบ้าง เพราะว่าการจะเป็นมนุษย์ได้นี่ต้องไม่ทำบาปพอเราทำบาปนี่จิตเราแปลงร่างไปแล้วร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตกลายเป็นเปรตไปแล้วถ้าทำบาปด้วยความโลภถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดชะชันถ้าทำบาปด้วยความป่วยก็ไปเป็นอนุศรักายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็ไปนรกตรงนี้คือที่ไปที่สภาพของจิตจะเปลี่ยนไป จิตเวล า, าออกจากร่างเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆไปแต่เป็นตั้งแต่ยังไม่ออกจากร่างเป็นตั้งแต่ขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ถ้าทำอยู่เรื่อยๆนะแต่ถ้าทำแล้วสลับกันวันนี้อาจจะเป็นเปรตพรุ่งนี้อาจจะเป็นเทวดาก็ได้วันนี้ไปขโมยเงินมาพรุ่งนี้ไปใส่บาทนี่มันก็สลับไปสลับมาอยู่แต่เวลาตายไปแล้วมันสลับไม่ได้ เพราะมันไม่สามารถทําอะไรได้ตอนที่ตายมันต้องไปเป็นตามที่มันเป็นอยู่แต่ตอนเป็นมนุษย์ยังสลับไปสลับมาได้อวันนี้เป็นพระพรุ่งนี้ไปเป็นโยมก็ได้เห็นไหมเห็นไหมอยุ่ตวดไปสักพักเบื่อก็เสดกได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นโจรก็ได้เปลี่ยนได้ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี่แหละเป็นภพเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้ ทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้แต่พเอปืนนี่ไปเป็นรับผลบุญผลบาปไปเปลี่ยนไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปรับผลดันตอนนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีมีโอกาสที่จะเลือกทางไปได้อยากจะไปเป็นเทวดาก็ไปได้อยากจะไปเป็นเปรตก็ไปได้อยากจะไปนิพพานก็ไปได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณน้ำพึ่ง กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะปกติหลังจากสวดมนต์ในห้องพระที่บ้านจบจะกรวดน้ำโดยว่าคำดังนี้ข้าพเจ้าอุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันไม่ว่าท่านจะอยู่ในพบใดภูมิใดก็ตามขอให้ได้รับบุญนี้และโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วย แล้วก็ได้อุทิศให้กับท่านพญาพญาโยมพระแม่ธรณีนะครับออแล้วก็อีกหลายอย่างแล้วก็เขาก็ได้ฟังมาจากบุคคลผู้ที่เห็นวิญญาณได้กล่าวว่าไม่ควรกรวดน้ำในตัวบ้านเด็ดขาดให้ไปกรวดนอกตัวบ้านเพราะ วิญญาณสัพเพเวสีจะเข้ามาที่บ้านเราที่อยู่อาศัยได้และไม่ดีกับผู้อยู่อาศัยบ้านหลังนั้นมีความสงสัยอยากกราบเรียนพระอาจารย์ว่าจะมีผลร้ายเป็นจริงดังนั้นหรือไม่เพราะเวลานั่งสมาธิก็ยังสามารถแผ่บุญแผ่กุศลให้สรรพสัตว์ทั้งสากลโลกได้ไม่มีประมาณจากภายในบ้านได้รบกวรพระอาจารย์ขอความ กระจายแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพวกบรรดาสัตว์ต่างๆที่เป็นกายทิพย์นี้เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเราเหรอกเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านเขาอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยอยู่คนละโลกกลัน <c oughs> เขาเพียงแต่รับรู้จากกระแสจิต ท, ที่เราส่งไปเห <c oughs> มือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราติดต่อกันเนี่ยน่ <c oughs> าจะอยู่ในห้องส้วมคุยกับคนที่ไหนก็ได้ <c oughs> เขาก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ในห้องส่วมหรอกเขาก็ไม่ได้มาเข้ามาในห้องส่วมกับเราเขาก็อยู่ในที่ของเขา เพราะฉะนั้น <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ของเราในเรื่องการติดต่อกับกายทิพย์ดีกับสิ่งที่คนที่ตายไปแล้วนี่เขาอยู่คนละโลกกันยันไม่ได้มีเรื่องเป็นที่เขาพูดกันหรอกจะอุทิศบุญให้เขาที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทนะั้งนั้นถ้ามีบุญอุทิศนะก็อุทิศไปคำถามจากผู้ฝากถามจากข้างบนนี้นะครับ เกิดอาการตกหลุมตกบอ่อขณะนั่งสมาธิแล้วรีบถอนออกเพราะนึกว่าหลับหรือสับประงกพอลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าไม่ได้ง่วงไม่หลับควรแก้ไขอย่างไรดีเวลามันตกให้รู้เฉยๆให้มีสติรู้เฉยๆไปไม่ต้องทําอะไรเอไม่ต้องถอนจิตออกมาให้รู้มันตกเหมือนเดินลงไปแล้วตกหลุมก็รู้ว่มันตกหลุมเออ ก็ทำนั่นเองก็ดูเฉยเฉยให้ดูเฉยเฉยคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือมีช่วงหนึ่งสามีโยมไม่สบายมาก โยมรู้สึกสั่งเวทใจว่าชีวิตก็แค่นี้แล้วสามีโยมบอกว่าจะโอนที่บ้านให้โยมกลับรู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักไม่ยินดีที่จะได้มาอันนี้ถือว่าโยมปล่อยวางได้บ้างแล้วใช่ไหมคะก็ไม่รู้ล่ะเป็นแต่ความคิดพอถึงเขาโอนจริงๆก็ยังรับอยู่มันก็มันก็เป็นความคิดที่หลอกเรา หลอให้เราคิดว่าเอาไว้เราเบื่อหนายแล้วแต่พอเขาจะยกให้คนอื่นก็ห้ามไม่ยอมให้เขายกอย่างเงี้ยมันยังเป็นแต่คำคิดเท่านั้นะต้องดูความจริงก่อนหรว่าไม่รับจริงหรือเปล่าเวลาเขาจะให้จริงจริง <c oughs> พอจะ <c oughs> เขาจะให้คนอื่นเราจะรู้สึกยังไงจะอนุโมทนาหรือเปล่าหรือจะเริ่มโวยวายแล้วจะเริ่มต่อต้านนะเพราะฉะนั้นต้องต้องดูดูต่อไปครับ อันนี้เป็นเพียงแต่จุดเริ่มต้นนะคิดอย่างนี้ก็ดีแต่คิดแล้วทำตามที่คิดได้หรือเปล่ามไม่เอาจริงๆหรือเปล่าปากว่าตาขยิบหรือเปล่าคำถามต่อไปจากคุณวชรพรกราบเรียนถามเจ้าค่ะแม่จะแต่งงานใหม่ แต่ใจเราอยากให้ท่านปฏิบัติเข้าวัดมากกว่าอันนี้ควรวางใจอย่างไรดีเจ้าคะก็แม่ใจแม่ก็เรื่องของแม่ก็ใจเราก็เรื่องของเราต่อไปเปลี่ยนกันไม่ได้เปลี่ยนใจได้ก็ดีใช่นะมแม่อยากจะแต่งงานใหม่ก็เอาใจแม่มาใส่ใจใส่ร่างกายเราแล้วก็เปลี่ยนใจเราไปให้แม่เราอยากจะไปวัดไปบวชแม่จะได้แม่จะได้ไปบวชเราจะได้ไปมีเมียใหม่ได้ คำถามต่อไปจากคุณเคสพระอาจารย์ให้พิจารณาร่างกายผมหนังเล็บ กระดูกต่างๆระหว่างแปลงฟันก็พิจารณาฟันว่าเป็นของสกปรกเป็นของน่ารังเกียจไม่ได้เป็นของสวยงามจีรังต้องเหลืองต้องผุไปตามเวลาในขณะนั้นมีแวบหนึ่งที่ส่องกระจกแล้วเห็นใบหน้าและฟันกลายเป็นหัวกะโหลกทั้งหัวเห็นชัดเจนมากแต่เพียงแว็บเดียวแบบนี้ ควรเร่งพิจารณาต่อไปยิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าคะต้องให้มาเห็นตลอดเวลาแว็บเดียวนี้ไม่พอมันต้องเห็นทุกเวลาเห็นหน้าในกระจกทีไรก็เห็นโครงกระโหลกเห็นกระโหลกศีรษะซ่อนอยู่ภายใต้หัวโขนทันทีแล้วไม่ใช่เห็นแต่ของเราเห็นของคนอื่นด้วยเห็นใครที่ไหนก็เห็นหมดเห็นเหมือนกันหมดโอ้ยมีแต่กะโหลกศีรษะทั้งนั้นไปไหนก็มีแต่กะโหลกศีรษะทั้งนั้น มีแต่คองกระดูกทั้านั้นคำถามต่อไปจากคุณวิสุวัตนมัสการสอบถามหลวงพ่อครับหากปุถุชนทั่วไปเมื่อตายไปย่อมเกิดตามจิตสุดท้ายของตนตามปฏิจจส ม, มุติบาทอยากสอบถามหลวงพ่อครับหากผู้ที่สำเร็จพระอริยโสดาบันท่านกำจัดกิเลสสังโยชน์บางตัว ถ้าจิตสุดท้ายของท่านยังโกรธอยู่แต่ท่านจะไม่เกิดอบายได้อย่างไรครับก็ไม<น>่โกรธสิท่านนึงไม่ไปเกิดในอบายกินท่านไม่โกรธนะคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามกราบเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้า่ะเนื่องจากข้าพเจ้าเพิ่งฝึกการบริกรรมพุทโธช่วงหายใจเข้าออกสั้นและยาว หรือจังหวะจะโคนเร็วช้ามีกําหนดไหมคะเพราะบางครั้งก็บริกรรมจังหวะเร็วตาใจสบายอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นบางเวลาก็อยากจะเร็วก็เร็วบางเวลาอยากจะช้าก็ช้าแล้วแต่ว่าต้องสู้กับใจใจบางทีมันดือ้อ จ, จะให้ต้องให้มันเร็วหน่อยบางทีมันไม่ดื้อก็ช้าหน่อยก็ได้อันนี้แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความสบายใจได้